มันถือแล้ได um. ้ท e. ี่ <Somewhere> ้องเช็ดเ้าทถ้ำมาถ้าห้สงกแล้วใจเป็นเป็นสมาธิมันคุ่งม <t> ันจำได้ปะตั้งแตคุ้นลักเขาลเห็นี่จับหอดมือนี่หอดมือเขาเต่าเห็นหน้าก่อนมาตัวใข้เห็นมันพูดทำยังไงก็ไ้แม่หยอดน่หอดหคนมันจำได้เดนี้ขึ้นจ้บัดหาห้องปยุทมันปรจับได้ปะจำย่มันห้องพุมันไ่ได้ควร มันจะคุดอาการเฮตไปหุดนี่สติมันก็จำมันเฮตไปหนาหุดฝั่าบ่มีมีตะกุ่มคุดมันจคุดไปคุดไปฝันาบ่เกิดพอมันคุดไปคุมันจะติดเฮปุมันบอกมองทีก่านพอเราปั๊บวาดมีอะไรบ่นควก็ตลอมันจะหยุดพื้นบาดสติมันสติมันจะเก็บเก็บข้อมือมันมันจะไหวแต่พอหยุดมันจริงอะไรเน้ยต้องหยุดหยุดคิดคิตทุกนิดมันจะชิงลป่พอหยุดมันหัวใจออกป เขาเห็นอะไรกันไไหนไมากจำได้มัดติดมันติดงคุ้มมากวใจเป็นกาวใจเป็นกระท่าใจน้องเป็นเป็นไงเป็นกระาเป็นอยู่เพิงสติอยู่ขางนี้สัญญาอยู่ข้างนี้ใจอยู่เพิ่งหวดสติเป็นทุคนคึ้มมากเอาหมอนี่เรบอกจะีใคหมอใจว่าเอานั่นเอานี่นะเสร็จบอกมอนี่จีไว้บอกเนีหมอนี่จีไว้เราจะหม ข้อทรงขงปิลจักดมันมียากเดียวยากในใจปัญญาเป็นยากมวิเศษบัสิตย์นใจนั่งังกหังนแ้ข้อมูลมนีว่าใสิมาั้อมบอกห้สงใใไว้กัมะัปรให้อันนี้นยังสินกปัญญาเมืองปัญญาตัวปัญญาวป่ะมียังจับเก็บใยัง ใจหอกเก็บใบกำให้ไปตอนปัญญาัรร่าสมุนวมนทร์ถ้าดินซึ่กันึงะเอามึ่เป็นธาตุินอนี้ที่สมุนวิ่ดินปัญญาวานี่เป็นปัญญากัวองเดีดินอันนี่มันมเมนของใจได้บามันจะบอกังเปัญญามเมนของใจดินเป็นเป็นเรื่องของธาตุินมเมนของใจใจเก็บใก็บได้พอมันมเมนใจใจใจบเมนดิน ใจโมเมนกับของดิ้นอันนี้อย่าเก็บไว้เอาออกไปอ่าปัญญาวะใจคุณต้องตังมันกุจับได้บางเฮ้ยเราตันงปัญญาตังโมเมนข้งนอกมันกะว่างบ้างโอ้มันมันบวก้องได้นี่สิบบามันกะว่างออกไปมีว่าเมื่อไปเราได้ตัวนึงบ้านพออทีเก็บไว้มันมันคดตกลงวงใจเสือแดี่ยวบาบาเมนเดีวมันก็ได้ เอาตัวไม้มาวางสีน่ดึงก็วห้องเกตไปหนึ่งหน่าออกมาต อ, าอนนี้ไเงี้ยเอกมาถามกันก็ปัญญาไม่เงี้ยไม่เนวสีเอาไว้ยู่บ้แม่นของใจยี่ใจนี่สีเอาไว้ได้ยู่บ้อนอกห้องมายู่ห้อปัญญาสวัติตอบหรือเปล่าบวแมนเป็นเนื้อของแท่แต่มันสีก็ขุ่นมามันจะเป็นดินเป น, น, นหนาเป็นป้ายเป็นนงินกระจ่างถงห้อ ง, กองเกตไปมันก็ติดตั้งสีโนกบวแมนของใจใจบวมีหนาสี ใจมีนาชีหูแมวเดียวบอมีนาชีเก็บบอมีนาชีรับเผามีนาชีบึงซื่อทัพจริงทั้งพวงเป็นธรรมะสอนใจเปิดคือมาเพื่อใจพูเท่านั้นใจพูแ้วมองเหเก็บเอาสองม่นี้ไว้ในจ enfin ิตในใจบอกว่าปลาเตะเขาเก็บเป็นวัตถุม่านที่ไปแต่บอว่าปลาเตะมันปากมันมันก็เข้าใจที่บอกใจใจติดคุนังต้องนี่คือบุปาที่สมันเป็นสมาธิอย่างนี้หมอจ มันเคยนี่สติมันกอาสุามกปัญญานี่จะก็ไม่นานที่สังก็เห็นน้ำานางเดียวบาดโอ้เงินห้อของวน้องเนของ้องอย่างเงี้ยคนห้องรบคนห้ไม่นหองที่รของคนมันเป็นห้องโถงมันเป็น้องเข้าบามันก็ว่างแต่บางมันเต็มเงนเอาไว้บางมันมดบายังๆยงๆฉีบโง่ฉีบใก็ไม่งเยงเลย เพปัญญาตัดสินอย่าง้ผู้ที่ปากผมเว่ที่ในปัญญาตัดินอย่าบางวันผมมีหน้าที่ของเจ้าจะผมมีิตเน่มนี้เจ้เพียงจะรับโลกจือเขาว่าเป็นของเจ้าเจ้าเป็นเจ้าของของจริงเอานี้แก่เม่อสัง่มื่อว่าบางลงผงไหมัดบริจิไไหวเนี่จแกแคเนี่ยว่าอันในโลกนี้ไลยทั้งแต่ว่าจะเนี่ยในโลกนี้เนี่ยอาจารยดินน้ำไหลล่มผาดีขัญหาอุยานภายในภายนอก ว่าม right. so well, right? right? right? ันของใจจะแน่วว่ะบัตมัคูุเทศมันสงสงันนี้มันก็เลยบกเก็บมันไปอย่งแข่งเมาเบ่มีอย่งจ๊กแนวในใจเพราะใจผมมโตใจเร็กบเป็นจินก็บผเป็นไทยกับผเป็นนุ่งมกับมเป็นแต่มันห่วงิเศษคือมันั่นวิเศษวิโสเทีิงอื่นมคู่บ้านนี้นั่นละมันว่างเดีวบ้านว่างเมด่านเขาอกเขาว่างเม็ดผมมีอยังในใจเนานใจมันว่างแล้วที่เจ็บมันใจเก็ไปยู่ซื่ เก็บไว้เขาคืดเนี่ยนะคืดไว้จากบาดินของห้องเขาเมียนในนี้ใจมันไม่น่ใจเขาหันดินมอันถูกใจพอเขาเก็บก่อนถูกไว้ดินหนํท้ายโน้มันของบ่เตียงนะมันปวนมนปั่นอยู่ในใจห้องเมียนของง้องมันดินนี่จะอกาะลอยไงมันจะขึ้นไปห้ามูมันบ้องที่ตักมัน้สิเก็บมันไว้มันจะขึ้นไปห้าดินน้าเกลือขึนปุ่นนะน้ำมูมันปูปูนทรายดินนักปัออกไปอยู่น้ำหวยน้ำหอยขูดอ่ะอยู่ทั้งป่าพนัมันจะขึ้นไปห้ามู เอามาไว้ในห้องก็ริ้นหนนกันเนาะเขาก็เลยเป็นถูกเด็กวนปั่นเขาหัวว่างไอ้อยไหมันดีจัิงสิเด็กขั้นใจแบบมันดีจริงสิเด็มันนี่เดักพวกนี้จเข้าโอ้มันจะยิงอี่คนเข้ามาหัวใจแบบมันเด็กเมือบาดมันทังบริษัทหนูนะบาดนี่มันมเมนต์ทั้งบหารที่เขาก็เอาตัวไว้ดอกบานไฟช้ามาสัไเมื่อช นะเขาขอดีอยู่พราเขาออกไปต้องการดีดอกบัดต่างคนต่างอยู่น้ำไถ่น้ามันเลอะนดินก็อยู่น้ำดินตาหนักอยู่น้าหนามต้นต้นใบก็อยู่น้ำใบซกเขาอยู่ไผอยู่มันเขาขูหูกอดีหูยืดๆนี่แหละไปเคาะไถก็ปติดไถ่หนี้มันตีวางอยู่ในใจบมันหูมันตีวางบัตรมันวางมัดับกเางจับในในใจเขานะโมมี้โมมี่แนวสิดติดมันใบหน้าอันนั่นแนวจำไม่หูจริงบัตรเทียบหูจำสิ่งที่าติดใา บ้านี่ห okay okay ู้จริงพิจารณาเถิดเื่เก็บขอบเก็บขอบสถิตปัญญาเมื่อคมขวบปอกจับใจมัดนี่คือหู้จริงบานหู้จริงว่าอันนันเปนสตบเรียมเป็นสุกบนของเห่าขาดสีขันหาโมเมนของเห่าหลุเวทนาสัญญาตั้งขาดยิ่งยั้นโมเมนของเหาเก็บมัดว่างมดว่างว่าบ่มีมัดเท่ห์มัดยังเก็บใจว่างแปกๆทามันว่างไรจิงทีเแล้วเปิดอะไรมักที่มันมกระต่าง มันจะหงเย็นไหมกับโรมักจะตีภาคภาคมากคณะทีคณะธรรมอาหารธรรมมีคำไหนยังสิได้มักคราดำหน้าก็แล้วานั้นได้มักเขล้วได้มักใจเล้วล้วมันมดหลัได้ธรรลผลบางนผลน่บเกียวกับสถิปัญญาผลพอมันผลออกมดแล้วสถิกับปัญญาเป็นผู้คัวโต๊ออกแตของ้องสงใจมุดแต่พวกนี้นาทีมันมดล่ะมนมนาเห็นอีบางมันยังใจ ใจสิรอบผมมันคือว่าเขาก็บผมมุดหลับมันยังตัวละเอียดื่อนว่าอัตวเครื่องลองเครื่องลองไม่จิบไม่ใจมันมันลองไม่ใจคือเขาลองลองประนหนงที่มามักลองไปแต่ว่าสศิกับปัญญาจบแปนงอกจากไอ้รถลองที่ํามมัไเข้าใจแต่โอ้าหคนลงมัดน้องพงษ์ันนั่นนั่นนั่นมาอะไรนีัญญปัญญาอะไรอย่านั้นเป็นปัจจุบันเป็นทุ่งที่ยิงนะันได้บัดคนเขา เขเออกี่บางหายเกี่ยงเนี้ยจะตีก็เป็นย่างกี่บาทยนงก็หายดีกว่าะละอยากจะซื้อกินมั่นเพราะรังดอกบากินของมันมันย่างกินกินน่เหม็นไปเลยเนั่นยางตี๋หาอันนี้ละย่ไปใจบางทิท่านหาที่อ่อนชอบกินปัญญาทรัสย์สินเศร้าระมดเนี่ยมดแน่วเด็ดหรอกไ่เอาปอกโฮมี่เป็นเรื่องของใจบ้าใจกับเร่งสิ่เกิดไปฝ่ามันบุตผิดเราเแก่ แต่ริเขาผิดมันมีทางหมักกลางรอกเปิดมันก็คล้อยอันนักนุ้ยออกว่ยเมื่อไปร่มื่อไปเวลาอะไรมันเมื่อติ่มมามีตอนนั้นเนี่ยหันจะผลโดดผลเปิดพื้นมาหูทัานที่คำนิเทศหูขึ้นที่ใจแับมันเหมือนแดดผู้อื่นมองหูน้าดอกมาตัดกินมาได้ผู้อื่นใจหูของใจเองว่ากินเหมือนแดดเากินมนนีผู้แต่พะใจเผู้ที่ม e <hi> um บงหูก็ได้ พอนหนีหมดละสติปัญญาคนเขาพโตมันนักินดื้อๆจนว่าเรื่องรอนกินเชียงไปกินเมื่อกินวัดมือไหนตัดคำนิดทิปมือนะนี่เต็มเนี่ยมันเป็นสั้นตัดจังหวัดคนจังหวัดคนทุกคะแนนจังหวัดคนมันต้องหงจากเองไม่บุกคไม่พูดไมไหวเนี่ยพูดขึ้นติดใจเองมันหลุดพลุดมันหูของมันเองมันมีอย่างพิเศษต่างอีกเป็นเกิเหูก็พยายา ยันไอ้เพียงเขาว่าลดพนเม็ดเมดกิน่ยนะคนนีู้พียงมดกินเนี่ยเว่ามดกินแล้วก็้รังเขาบอกว่าศาสตรินแล้วพบกินแล้วเกิดบร้เกิดอีกแล้วจิ้มสุดตอนนี้าสนี่เป็นศาสตร์้ายกกับีกไปม็ดจิ้มงเขาจทส้างโลกไปแต่เราผู้ทำไล่เอาออกกับเมจิดก็เปนงาไปเดียวที่แรกผลตรงนี้นะจำมอญเองจ้กว่ามันเม็ดคือสุดคน มันของละเอียนมากเติมมวตาตรองลอต้องใจเป็นผู้พิจารณาว่เห mm ็น hmm. นั้นม yeah. ันได้นั่งดูได้ใจนั่งซ้อมก็คือซ้อมตะกินเหมือนมื่อไรตอนนั้นได้เมื่อไรเห็นอย่างอื่ได้เพราะเขาออกพดแล้วนี่จะนั่งนี่งนิ่งซื่บน่ำเหมันเหมือนคือหันมันมแล้วย่ามันจะเกิดเป็นวดหวาย่างยิ่งมันจะเกิดหูเป็นที่ใจมดชินมนไม่ย่างอยู่ในนิ่งมัดเตีย มันผู้อื่ีใจเขาเองไม่ต้องกระเจาผู้อื่นไม่ต้องไปนั่นบอกน้าผู้อื่นไปเอาน้ำอื่นถ้ว่าห่วงมันตรงเองเห็นเองดูจริงเห็นจริงของหัวเองมองผู้อื่นมาบอกแค่ที่นีเขาเนียนเขาศึกษาเขาสอนเอาใจผู้อื่นซะก่อนมาเอาเสร็จทีแล้ววนานทีของเขาคนเดียวงูเฉพาะตนมอาศัยผู้อื่นมันหูวของมันเองมันเกิดของมันเองโดยับขคร่ืบเล่ันว่าให้สืบย่านบกูบหูชัดทางให้สืรามจะเกิดกันนด เนข้างถเกิดขึ้นที่ใจมันโมเมนต์ที่ทไหนทำไม่ออกเอยไม่ออกเลยคันไม่าเขาเห็นไปมันถือข้างสมุนมันติดสาเร็จมกไหลปับหนึ่งนะโซลามัตแหงติดไมบมันติดสาเร็จติดยากนีเจ็มันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ใจง่ันเกิดโมเมนต์เหตุนั่งเข้าบนนั่งที่ได้ดดีนี่พูดกันโน้นมองย่างโมโห งานกับหนั่งกับหูนังกับหเยอะก็บหูจริงยุหสนั่งมันังไมมันหูจริงมันอันหูอะเนี่เอาเขามาหนานั่งเกิดนั่งหนี่อ่านนั่งเก่งก็เก่งดีว่าเนี่ยมันหูจริงมันหูนี่นิดดีดีอันนี้หูจริงบกเยี่ยมมัดหูคือโรคะมันพุทธิจีตใจใส่ห้องจับแล้วม่มีคมจิตใจเขาได้ไม่โรคขนั้นเกิดขึ้นเนี่ส่ายว่าเป็นมาได้ปัญหาซะ ัะทับมันเต่เวลาที่เขาของใจเห้่มเขาเหมากคือว่าดูใจคนมาติดใจอะไรทำัจ้าต้นหัวไายหายม่ใส่เบ็เข้าหน่งโมมีแนี่ยห้องดีสิติดได้ใจแต่ว่าเขาทิ่เขาใจสาหรือวัยนน้นนี่ลหละมันเกดถ้าเขาไ่เข้าใจเขาเท่าตรงขนะต้นหนึ่งเขายอมรับกับอือโหครับดโมมี่บนงใจ่อกย่านนั้นมันจังจะเท่าได้บายจังหายหางไจ แต่มันกี่ลายมือเล้กกันเขาบอกปัญญาหน่อยมันบอดตันห้องบ่ยอมหลับายเอาจนห้องหูเกิดขึ้นอ่ะมนี่ก็ไม่เงินขึ้นหรอกงวงห้องม่นั่นแดนตะไสรใส่ก้นหูนี่สมันมวนหน่ะมันเกิดเกิดันไม่รมันเกิดโอ้ยเรจะอยู่จะเศ้าเราจะกินกุหนักมันอ่อนต้อนมันมวลมันหูหูไปตีนก็หูหมดหูหมดแต่ว่าเขาเข้าใจแล้วกันมันกี่เต้าได้ไหมมันกี่หนับไป มันขายเราเขาสอบได้ง่งยเขาสอบได้สันมซะที่แรกันน่นแหลนก็บามหแข็งแน่นเทาเนหลักปุ๊นน่ยคนรอบนี้ตั้งเลยปัญหาเลียมาเจตนที่แรกคุณทอดมือสอบได้คนถือหอยั้งเมิดอสือคู่แสบไมมีที่หลักเขาพิสตอสัมาษณ์เพิ่งแยบแยบเดียวกันพอเอ้ยสัมภาเพิ่งแบบคนรอบนี้ตั้งเมือส่งเขาใจที่าดแทงเขาเพาะหูจับคนกับเราม่หูจักถ้าเพราะหูจับคนกับเราจนหูหู เอาล็อก ใ, ใจ็อกหักมัจนโห่ใจพักเออวัตไปจักแนวั้งรับทีต่างคามมนจบปุ๊บไล่หมดตื่นเลคนเศราได้บ้านคนหนีได้บ้านคุณนั่นแหลนมาญานิมีเด็กคุณนักนแขึ้นคนที่มีว่านหนียังนีเพื่อเข้าสี่เหลียมสันไม่ต่อบาดนองีากไปติดต่อไปอีกหัดญาตินนที่ตอบคุณคณนทีมันม่นยึดบานมแล้วกระเทียมแนวเ้อนหลักมัด เบาฟังเหมอนนั่นนี่อะนีนี้าใจอก้เาจะคิดอไรประกาศเป็นน้าคนไหนก็ประกาศไ้พวันนี้ดอกถามเขาวาท่านสอบได้เพ่นวันนี้ดอก่ว่าเหตุผลข้างเตุเพรดึกเหตุไม่สงสัยผมอ่ะเมนจะเห็ุมุดมือมาขึ้นแดงควักสายผมสงสกยเห็ุบพรดานั้นมาตรงไรโรดมักมักเลยมักนึ่งรัดเปนมือเกิดขึ้นได้แน่นอนหากสงสในโลกเนมมี่บนสงส แต่ว Julia, ่ามันงบัดคนนี้เนี่มันลื่นให้องบัด้าประตูท่ันมันบอกตั้งตุดไป่วนมากพิจารณาตุดไปตุดมามันแก่งมันแย่งในหองห้นัดแต่มันริ่มคือคือหนึ่งบนบนห้องบล่นกวนี้หนาเขาก็จื๊ไปบนห้องบนเขาสงสัยหนาเจี๊ย้ในใจห้องบัดคนมากีกเขาต้องเอาขืนถามนะคันอสิถมแต่พอถามกที่เอปิดอยู่แต่มาห้องอยากฟังของเป่าฐานกือคือ ถามันหากระส่ามีแก่นว่าจากต้นสงสัยที่เรามันกสมนตที่เราที่เขาสงสัยว่าสงสัยนี่ใจมากนันงกระส่านี่ก็เส่าโนไปมันก็หน่อยเพราะนั่งจีบสงสัยต่อไปต่อไปมากอันที่หนที่สองที่สที่สมันก็ทุดเพาะเราเล้วมันทุดหลมันจบหมดหรอกเขาจีบเลดนี่เกระเจ้าเล่เจ้ามันจบไปประกาศเลี้ยไดในล้ยวในประกาศ บริเกียวววาแเดวๆดี่วมันเป็นอยงนี้แต่มันถือทางได้แตพก็คือบม่มากด้เมื่อตคือมเพระวัติถึมากต้องสมบูรณ์โดยจถึงมากอิทธิปัญญาพอเที่ยงเที่ยงหนาเป็นเต็มบริบรินเจอคือโลกยากานบริันต์บรอะไรหูมาแนวอื่นบริเมนบรสนิษ์หูต้องจำหูนีู่ตาต่างหูนี่เครื่องมายตาตามบรเมนจักจั่งนเป็นข้างติอยู่ในโลกสำนัน มวลมิลมตรพือกันมวลนี้ยังติดติดโลกมกงสมุดนี่ไปยึดยิมันอยู่บนบริษัทมวมันตอหใจตอองบริษัทียงมันโู้คือนดมันควนแน่วนะที่แล่นให้ไอ้คุณหอกบอวัตมันควนมันเต็มแว่าบารมีมันเต็มแน่มเมวันพระบารมีองหนะตัหยสหรุกบั่รมีัโอ้ย นมามวลมววเนี่ยโลกันซ่อนโลกแต่ว่ามันิะขืนโลกอันนุมาสของจับเลยแต่จี่แรกพฮู้ดอกดอกงูของพวฮู้นะของพวจับวะใครแล้วคู่กนนึ่งมัดตอบมัดหยังตอบกันตอบคนนี้เนี่ยในจะไหนของพต้องค์จับหลาที่แรกของบวกงูเมื่อใดคนสอบพระูงจับของที่ซักของพวกจัเก่เอาในไม่พระองคี่นะบาเจนี่หนึ่งบอกว่อยกทมาเมื่อไรแต่าพระองจับว่าจริ มันนจมาลยเพราันหแนววนะเลี้ัมาวงแนวของคนจีนมากมันจับยากมันถใจใจของตนมันมันักันคนจ่นมากโอ้ปก็เตรียมตัวรดแวหัวจับหระกพอปุ๊บาบวรอบังเออคนนตะเลี้ยงเป็าขมันรอรอฟังเจอปฏมยอยงเนียโนกมากโอ้เจ็บเจโอ้ว้ีมันติดวนบังเลยคุณะ แต่มันลืมซื้อมันยังบอท่นโงกนะรานจะดส้าถาอ่านข้างนั่นน helmet, ่โงกอยู่ อ, BACK, อันนั้นก็ชงอั อ, อนนันนี้มันมันบ้างโงกแตเนี่นะพ้นออกจากโงกแล้วแต่มันเป็นข่าวน่ซื้อข่านว่าอัตลักษณ์เอ้าของซื้อยังจะกินมันซื้อไปแก้กินมันจะไปติดจิ้งจกันทันติดจิ้งกันแว่าสเร็จอีกะยังข่ากินมหนหอยนะกินมันเป็นจิงที่ดีนะกินกินซื้อ แล้วว่าเข้าคืนก็้ยินดีพอใจที่เขาเห็นผมของขอบพัดข้านอข้องินตกจากใหนหมนแล้วเขาดีใจค้วมดีใจอันนั้นแล้วมันเป็นจิ้เป็นอายยิ่งันเหเขาลงติดยิ่หันมันก็าว่างอันนั้นกินก็ตมไปไปรัาเน็รเป็นอาสงหันสะพนออกมากทั้งขีนงนน้น่ะเดียวากัดผมมีน้เหลือผมมีเสื่อไว้หา้ากับพ่อโมเนนมันทีเป็นขอน้อิบัติมันขาดเดีว มันจะแสดงเม่มีเหตุเบรกรู้กันมีเหยียบหลบหลบเหตเบรกรู้กันมันจะเป็นอย่างไรมันอีกคนอบข้างู้กันมันแสดงนี้นแะนี้ยนีจับผู้กันโมเมนต์ที่เล้วเราลี้วรถออกมันก็แสดงเนี้ยน่ะงมี้นปรากฏขึ้นมากเตบราดตันเขาเลาผิดปกติอย่างไรมันดีเป็นอย่างไรเผื่อย่างไรเป็นไย่งมันแสดงใหตุเบริ์มัดรู้กันโมเมนมาแล้ยวแลี้วเราเลวตำแหน่มันมัดับต้อนเขาเี้ยงซั่งเดีวบาดมันจะรู้เล้ว ม้าน so ันมันแรงทีมันจะโหนของมันเองไม่บาดโูนของมันเองเท่าก็ได้ขึ้น so ยังเสี่ยงไ่บาดไม่ได <speaking> ้โหนมันโหนโหนไปหมดแต่ในนัมันเต้ามันเต้าของมันเองบาดเจ้ามเต้าหูนั้นหนี่นะมนนีักของมันเองมันมันโหนต้งก็ได้ขึ้นมเองมันบาดโดยไม่คิดไ่ได้คม่ได้แต่งไ่ได้ยังมันโหของมันเองไ่บาดมันแน่วมันมันนี่เหบนไหนที่บอกับใจเขนะ เขามันยังเกแข้งสงสัยอยู่มันบนมันองใจมันจะเกิดข <c ười horror> ึ้นมากให้องของจักรวรรดิมันถ่ต่อวาบัญญัติบังเบิร์ตจะี่มันก็แจ้งกระนั่มแจ้งกระนั่มจนเดียวทะลผูกงโลกเป็นมัดดวงันสงใจในกอับนแต่มันเกิดขึ้นในใจเลยมันจะไปเตือผู้อื่นเลยเตือนผู้อื่นันก็ท่นเนถ้าเกิดขึ้นในใจท่านเหมืนเนียนโน้นแล้มัดก็มัดไหล่ละธรรมะโน้นเพค่มเพืออำนาจวันเดียวธรรมะโนนมันต้องบด เมดเลี่ยวอัตวะตัวรองกับมุมีนั่นหินอายเม็ดเด็กอันนั้นมันพ้นพัดแค่หลังๆัมันมาทำขับแต่มันแสดงเมดยุมันขงจริงก็ไรอยู่คือเู่นแสงว่าที่เราเอิ้นดึงว่าขันโตข้นสำเนียงตเราเป็นไปแล้ยวที่เขาิดข้างมามุมี้มมนี้ข้ามวัชิกรีมีจะสิเดนไปหนาเลื่อยผนจุดไม่ไปข้างโลกถ้าว่าเท่าเด้อเอไปเลยมันว่เท่าหรอมันถึงจักไดมันจริงแต่เพรามันเห็นเลี่ยว ใครระวังคนทีเขาไปโดนฝนเมวันขึ้ไปอสุดนะวันมาถจอดตีรุตตรงเขาลุ้มากมันมีกำลังใจที่เขาเขาจะไปที่เขาห็นเนี่ยแต่เขาพอจะหอดไปอยู่ที่ซื้อเห็นแนวหลบมากบ่กยัเห็นแนวหลกมันอยู่บ้านไม่เห็นเขาคลื้อเห็นไงเนาะคนที่หอดคนนอคบคนท่าไปเนาะยังไงมันก็เจ้ารึเปล่ารีบเรีบเข้ารึเปล่าดีไปไปมันก็หอดไปน้กันแล้วมันก็ถึงไปน้า แต่ว่าขันมันบมท่านติดมันห่างเป็นแนวนี้กันมันบมท่านเกิดมันก็โคโรโรคคจ้ำจ้ำเนี่ยจับม่านซื่อน่ยฮู้จริงก็ผูฮู้ฮู้แจ้งก็ผู้ฮู้ฮู้ที่สุดมันฮู้แจ้งฮู้กลางมันเป็นเป็นอันว่าฮู้จริงฮู้จริงในโลกกว่นี้ฮูกลางโู้อยู่กลางู้จีเรกหู้จำคือฮู้อยู่เกินซื่อฮู้จริงฮู้รุ้พนคือฮู้แจ้งคือคนโรกแล้ว มันแก่มืมืดอันของแก้วแก้วแก่หแต่มันยังนนมมันตองมืดตัดข้ตุ่นโอ้สุดยอดแก่จางหวาแก่เมื่มีบนขัดอมีบนสงสัยมีบนติดใบนี่คิดนใจแต่ละคนจละคนแต่มันหุดใช่ถ้ามันหลุโหยมือมีฟางมันเกาะมันหยิบมันปวดบ่อใจนะถ้ามันบาหินแน่มีสนแนโรปวดว่ไร ของยึดของถือมันย็บมันเป็นโอ้ยจะเทไรเทไรบวกําหนดหนักหนตันั้นตาดตอนนี้บ่มีนีข้อผิดเราะย่างผิเนี่มันเป็นเมันเกิดโมเมนต์ของวาเข้าสี่จะเอาหรอกมันเป็นพามันเองกับมันถือแล้วมันทอดมันเองมันเห็นมันเองหดดไ่ต้องคืดมันร้อนยางคืดกันสามาถโอ้ยสามารจิตสังก่อนมาคืดคืดสามารถบริโภค มันเป็นมีตับหานี่เป็นเตรษกิจมันาบ่ไรทันทันบู้แดดจะร้อนแดดจะรอนเป็นเรื่องปฏิบัติตโอ้มันพอที่แดดจะบานไปอีกพูดอันนัมามันขึ้นเอกประยุนนี่โส้แบบไม่มีจำนวนก็คึ้นยังบอกแจ้งจกบอกมันข e ึ้เม็ดเดยวมจากันข้นคนแตจนรับไออกนี่ยสุขของที่อันตราว่าึ้บานอนายนบานงมันต้องเน็ดนี่ มันหึงก uh, ุลาพมนาในพันสายที่แดกเลเน่าจะขึ้นน <the ิใจของบริวัุ่ดว่าเพียงไมือนี้หลักมันผิหนึ่งกุลาพมหมวกมานเป็นสำเร็จเสร็จสิ้นในมือนี้จุดไปนะนันเราพมขึ้นมันิดคะแนนมาชมกคนกับนิ่งเฉยโยพมจะลนมานี่ก็ขึ้นจิงจันเนาะมันเรเป็นปัญหาหนมดมันเเลยบรจน็มาชิดช่วยออกเป็นบุญนะของบริวาตั้งไเนี่ยนี่มาชิก เนี่ยอื่นบุตบ่าวองใครฟั้งเลขมาว่าคณะคดีสามารถึงนมันดุจหน้ากั้นทิงลาคมธรมันี้วกั้นทิ้งของมากส่วนออกมาทำบุญนี่ยออกมือัดทำบุญรับโชคกันมาว่าโอ้เดือใจมากตั้เลขทำบุญรับโชคโชคที่เกิดเมื่อไหร่ก็ไม่มาว่าเขาเขาชบนเชียงจนทา์ไม่ได้ที่ดีมาเช็คก็แล้วธรรมะของกรรมในใจของบ่บ่ชอบยังคนี้หน้าเสือกนี้เอาทั้งทั้งจ่าก เล่นของใจหวานในมันไหนในขั้นตอนพอขั้นตอดีกันตักขาดพอมันหวานเลยเจ้าไปขั้นตาเพอขั้นตอนมึงพอขั้นตอนตึ้งัวโตยเขี่ออกย่างไหวานอกะอาอะไรกับราได้เมื่ร่เมือ่พราะพุมขึ้นขนดจะมาพ่ึแล้วจะโดนมันพุ่มขึ้จริงจริงนั่นโได้ขั้นตอเป็นอยู่โูนะที่เขาออกมาก่นจะอมากิดจีนีกนี้ยูตังเอาเงี้ย มันตายแล้วมันอย่างดัดนันเองต่อผมก็ตรงมากรรมคำเนี่ยมันก็บอกรเดียวว่ามันกาลังกาลังขิดเหยมนุ่มมันพ้นเง่นที่แบบน่าจะทามโนเดียวเอาสุดโนดเในข้อมานัเนี่งนเนี่ยในรถใรถที่ม้าเอาไปันปองฟังสุนทรี้นปเนี่ยนั่นนี้มันตัดเนี่งนั่นนี่ให้ทุนจันท้์สี่สีง้อมันวั ติดมันอยู่บนบ้ามาวางไวังยานนี้ก็มนต์งอืวย่างเขาทั้งคันบนยนนี้ก็แ่งบ้านจับได้โบนลังยนนีก็าันามลนงโดนอะไรมาแ่บาอยู่ทังีบนเีวท่าทนมันก็ดเพิ่มโนี่เขก็แบกนีามันก็ยังเกของที่า่ผมว่าที่เอามือนั่งของะดมือนี้ก็อะไเาบ้านไหนสมาวาดิ บอกผกหนัก่ดยนหมผมว่าเอามาแเดวจะกนตุลาหมแล้วเ้ามึงหัวคุ้กจ้าก็บมแล้วเขาบอกวามืงอนี้ยงได้งะก่นาะนว่ามันเป็นมีปัจจุณสนว่ามันมอไม่มีปัจจุมันค่าได้นี่ยคือจิตจมันดมันเวมันบมแล้วทีมันค่าผมคือโอ้ตับไก่ตึงหนุนโอ้มันดหนอพมันนนกระดเียเพนว่ามันหมุนมาหลายเที่ยวแล้วทำไมจัด ขันเณรขันเณรภูรับหนึ่งภูได้เจรินแล้วมันหมุนมากหมุนมากเพรับจากเพื่อคนณบารมันมากหอนแล้วของรับมันกับหมุนนี้มากหอนแล้วยบรับมันกหมุนนี้โอแหงเจียบแหงบาดโอ้ขบกับนอนูนขึ้นเนี่ยบาดก็ของกาเ้าแ็ด่างเข้านึเข้าหนึ่งย่นี่ย่กิดผัดอยูภาวนาบางทีเออมเกิดอมันเองมันมากเกิขึ้นที่โลดคนบอก ดีใจก็่อเก้าเก้าคือเพราะเก้าคือตอนได้ผลโดนวคนบริโภ้นี้มันมั่จุกมือวุนที่หามือกันนี้รดหรอกแต่ว่ามั่มั่งเข้าใจที่เรามั่จักมันปูนมัเพแหงมันบอกกำนันต้เข้าใจเหรอเหตุผลมันกับท่านแดยวเอาไปส่งคนดูเมื่อท่านใดมาเองบอกมันเหุไจเคนเมียวที่ผู้เดียวมันแง้ละกนน้ำขนําเค็มโอคอยโมกุลโุลโน่นอย่าบานมันจักเลือดจักล่า มันจับมันที่เกืดสี่รับโนบาจังดีใจจังมันจับข้างบักมันมาข้างันี่ซื้อกันจันมันข้าพุ่มขึ้นจังว่าให้เข้าขึ้โตดฉันไม่ได้เรแล้วุทธิษกับพิษทุกขันที่โดมันข้าก็ขึ้นสนุดมากว่ามากเจียบกี่ไหนมันมัน่อยเสี่ยงขอสายมันแล้วมันก็ยักงบักมันง่ายปนอย่างแล้วมันง่ายถึงพระเจ้าเนี่ยเนี่ยเป็น แนวมุจ่เคยเห็ะกาวมุจเงียมันเน่ามันเหเป็นแน่วมุจลเห็ไม่มุจลเป็นไต่กน็นยัไม่ได้กรเป็นมดมันง่ายก่าบลงจัแนวเพราะจัเดือะล่าอันไหนมาเขาได้ไดไมดแลูกโค้งลงมืดมัเป็นแน่วมันผูกริใจนี่หรอกไหาเื่อคนอื่นรอปัอื่นเกิดขึ้นใจเองโแม่ันตัวมันูกจัของมันโกรแล้วพราะแมูจัก ม Finally, ันนี่ผู unten, sí. ้ตัดสินอยู่หัน้ายากิเพื่องูนี่ของมันอยู่ในใจแต่ว่าขันได้คืดมันก็เกิดได้กว่าขันได้คืดเป็นเรื่องของกิเลสปัญหาเรื่องของสิทธโลกุณานี่ที่ทำงานต่อโลกนบุกโลกนามนโลกเห็นมันถูกไปหนาหน้าขันคืดมัเป็นเร่อนั้นอย่ญาตามันเกิดอันนี้ถึงเกันมันเกิดในเรื่องของโลกญาตอาูจมูกดิ่งใจข้างนอกอ่างญาติข้างนอกยากิภายในข้างอ่างมันรับผู้คนนั้น ไย่ามไทยแน่ใจมัดจะเกิดเรื่องเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องบริสต์มัเกิดสึดงูทุสีาบารองัดหลับม่านนันแตลโอ้ยมีปังเหตุนี้ก็เิตโกเหตุมะ่นหลักถูอมะร่นหลักันตันวู้ดมีจะคุกแตนบนนั่นหละมึม่อยู่น้ำหัวนี่ขบันบ่งจับคืดมาเมือหโอกองโข้องเนี่ยมันง่ายบบสบายวิธีเหตมันก็ง่ายมจับบนขอวนเข่วันไปันมาก มันหูของมันเองมันเป็นของในททุกเห็นหยาบบาตมันงานขมูสละบาตแนวมันหูแน่วนายงนายงกูบิดสูนี่เหตุนรกมันยาบบาตมันหูจับเลยเหตุนรกเขายากตั้งไหนเหตุที่นรกเห็นบ่อของเจ้าบ่าได้อยู่น่องั้งขึ้นข้งเว้นบอกว่าเอุกลุกจะได้มีกัเป็นน่นมันทุกิ์ยัันเขาะประตูอยู่จังันเขาังมันยังขยันบางเห็ุท่านทำขัเหตุแบบนั้น มึมีผู้คนบ่มีหรอบคคเขาเห็นดูจจังสันเด็เห็นเคื่อหนัโลกคนทุกคนมันมองเห็จังสันสมันมจัมันว่าบ่มีแนวใดเห็นยังบ่มีแนวไดเน้มีเงียงคือคืออยู่มันบองเจังสันสรมันมองหูจับน้มันว่าบ่มีแนวใดเห็นอยังบ่มีแนวไดเนี้ยมีเงี่ยงคือืออยู่มันเอาไปจัดเลกมันมหูจับนี่ตัวมันบ่มีกลมมันกลมปยันเด้กขัน้องหูแล้วโว้ย มันบ่แว่างสุคือที่คือได้เลยโดยเฉพาเพาะยิ่งสิ่งที่เห็นประโยชน์สิประยชน์สิไม่ฟังเรื่องสัตว์ูกประโยชน์ิทุกคนเห็นบนกำหนดลูกจะเจ้ากำหนดลูกว่าทุกิ่งอยงคือทุกมันเป็นยังไงมันทุกคือสัจปริงทั้งปวงที่หูได้ย็นได้สัมผัสได้คือทุกมันโหดจังสิ่ง นหัม <imiz> ันคือท Some ุกข in ันคเจ้าักว่าทุกแล้วเราว่างคันหัวเนี <may> ่ว่างจะยีจะถือว่าเป็นทุกจะเอาไว้มันทุกพอเขาว่างกับจนเมื่อเกิดนิโรธขุนมากโอะควบนับทุกขุนทันทีพอเขาว่างกับควบนับทุกทุกกว่มิโรธกวสาพอเขาเห็นแนี่เขาอยากได้นี่จะมูไถ่โตเฮลทุกเกิดตเกตัดตัวเขาก็คืออยาได้ถ้ามันมีคมดไปเจอบริใจเกิดแตกกับนปันเห็นปล่อยวางหมด ถึงกนบเกิดข้นบรโลกัวาของเกิดบท์บสมทยเกิดขึ้นมาันที่ถูกมันอยู่น่งมันอยู่ที่ใจคนแก่ใจคนเดียวทวงดมรุดมีงิในใจวางเใจว่ามันวางจากจริงทั้งปวงที่นี่โอ้ทีู่ไไวางหมดบกบอินั่นนี่จังว่ามนว่ารงว่าบางาาจิมมน่แ้ มันบอกว่าเนี่มันมีเนี่ยอุดมเนี่ยใจเราเนี่ยมันว่างเนี่อื่นมันบอกว่าใจเราว่างหมดดตรงนี้เราติดมันนั่นแหะมันว่างมันว่างวิธีใจันเดียวเพอื่นมันบอกว่าแต่ว่าผมยับติดะบางรืองนี้คือติดนี่ย้าเนันติดในบางเนี่ยมันก็สบายอยู่นีมันว่างแต่มันบินหนเท่ากับถูกพอเขาต็ดเอาใจการต็ดมันจะเกิดนะอันนี้มันบ่อยเห็ยังนมันอุดมันพ้นมันบ่อยยังมันบ้างของมันเองผมกุมมันเอง แน่องะเพราะเพามันแนว่อเพา้สีกับปัญญาคือสมางบอกที่เดี่นมากขนนมากมขนมบอกว่างโมเมนของเก่าจะแน่วบ้างมันบ้งเนะมันตัดทิะเมิดเรามันแน่วมเนเนนั้นีที่การเห็นเนียนี่หยเราหู่หูไปเนี่ยอเว้เราเห็นเป็นข้อคนนึจักบอกเนี่ยมันกัตีใครก่มันที่หูไปมดหูเป็นตนายเป็นตอ่อนอไปมดบน เลิกต้นทำพุทธเจ้าก่อนเพันยังไงทบวชที่ได้ท kind of yeah, ี่ได้คือนยังไงครืองเครื่องตัดกำลังอยู่น้ำฝนลงหูเห็นที่จึงันตันเตเช่นั้นเนวนี้ตนที่อห็นงันที่โอ้ปเลืดกระโดดขันมาในหูทั้งพ่อพม่าตัดทะลมนโลเนี้นี่มันหูถึงตัเห็นี้ารีแกงกัดทัดไปแต่น้พ่อคนสอนต้นคนถูกไวิันมาสอนคือเฮานั่นง่ายกว่า ขันจนเห่าใจเป็นจังซอยจังว่านี่้องหยางแต่นางเขามาน่าเนอะจพผูโทษต้องขอรบออกงหจขอนังเบลด้วยนั่นถึงจะหยางคนมาสอย่างนี้ไว้แต่มาเบิองคนสอนมาเอานี้คนสอนมันจะเพลียสนใจหรือสนีจมหาเพลินน่ะนั่งตอนหนักอย่างหัวใจมาคนสอนเน้นน้ก็มาคานหาความลึกลับคนใส่ปัญญาสักอน พอวุฒิเจ้ า, ราศรัทธมกือเข้าได้เข้ยังจะกำนัลสมาธิเลยยังจะคิดหน่งไมไปโลยคือโทษคืโทษเรื่องอย่างนั้นมัอยู่จิตเพงามันแรงคอบแผ่นดินอยู่เสี er er ๋ยวว่าหูปับแต่ม่อยู่ตองมาอยู่ที่หล่ะโอ้บไดนีคนสลาดตั้งพ่อมันคนถูกไว้สอนคนธมทันเทียบคนบอกท่านอาจารย์ใหได้พระญาอิที่เจิหน้าเอสาโุมาศ้าทานตากะจให้เบิ่งกลับไปกับมาเดือมาทางร่มกับตี่ร่มเป็นสอน บัานในบัวเดเนี่ป็นความก่อนเด้ในเชิงหัวยับตะกอนมันกใส่ความน่าชืานนะผมมันเป็นยังไงเมืองตนเป็นยังไงมันเป็นยังไงเยนี่ความจังสิัพ่อมันเหยไว้เหนียวมันเืองโอ้แต่สัมพอสัมพอมันไหนมักเนผมมันเพ่นตอนคำาขใจคนโบเพื่อนโบฝ่ายผมมันเป็นยังไงนุณถามแต่ก่อนยังไงเกิดมากไไหมยังไงผมก็บอกไปตามเขาที่ใดก่ เป็นั้นแต่ก่อนมันกว่าเป็นสี่มันบอดำบอลกเนี่หนาทาว่านเนวนี้เอาขับบกไปตามโอโห็้ามันขั้นเรยนสั้นกไม่ยังบาดคนที่ขามเาถ้ามันมันโอยูขึ้นเกาเทือดไม่ยั้งก็บอกจับเล่บาดคุณมโหก็บอกตงเถาขั้นขั้นโมโหก็บอกคนเะขาเนียนี่เนี่นี่ก็บอกง่ายๆก็คือขันตัวน้ำจับคคนหนุ่ยนี่ก็มอหนีหลอกฟังง่ายๆก เอาการคัดมองหัวใจว่าตะกี้เป็นอย่งสั้นลันเป็นอย่างที่นั้นเนิันหมดเทียงมันบอกมันหมเทียงอย่างสั้นมันบมเทียงตะกี้มันหมดเป็นแนวนี้บันมันเป็นแนวนี้มีเอื้นเขาบมเทียงหัวใจก็บอกว่ามดเทียงหัวเรวพเจ้าค่ะว่าเออยวหัวเรีว้่มันหมเทียงมันเป็นแนวนี้อ๋ถามไดเ่ถามเข้าไันมดเทียงมันเป็นอย่ั้นหมดเทียงเหรอคนหลัมันเป็อย่างนันอย่างบมดเทียงมันรวมเป็นของเขาได้มันบเทียง ผัโมเมของเข้ man, าคันของเข้าบอกอยู่ม <Gym. S 1> ั่งกติอยู่ม <instructor listen to amigo> ีมันโยูมันโมเมนของเข้าบมเมนตตเป็นสนของเข้ามเมนมของเข้าผลลัพธ์มเมของเข้าทำเป็นของเามันกัดียั่งน้าเข้าเขากัดิบอกมันได้ใจมันฟังมันโมเมนตทำเป็นยังไงเห็นเห็นด้วยล่าเห็นเสือต้องกเสือวามันโมมนเือเรียกกระตอกาเพราะมันเป็นไปตามข้อความพืนฐนมันแมนเมนพื้นคนว่า มุมนต์โเป็นตนโมเมนต์ของเฮ้ามันจบโมยู่น้าเฮ้ามันโมเป็นเป็นต่างกบคือของเฮ้าย่ำโม่จังสันย่าเฮ้าบมท่านชอมรับคนโมท่านไปคนโมท่านในฝันนครับแมวว่าเออห็นคือคนวาเรียวคนจี่จะโรดนะคนจีเสือของสิงโมเมนบ์เบาคือคือนี่เล่าเสือผมไห้เล่าเสือรดเล่าเสือขนกับเล่าเสือเล็กไห้เล่าเสือแฉล่ไห้เล่าเสือหนังไห้ตรงนังทเห็นขับดี เ้าเขาใจมืดปะนคนบอกเออมันเป็นเงินสนักเนี่ยมเห็นเงินที่คนตังไปปาเอ้าไปปุ่มวันไดนบูมี่ปู่มีคนคนเด้อแต่นางน้ำโสมน้ำปลาบนไหนมันหนึงกหนึ่นะที่จะหน้านี่แหะลบไปลบมาครบรวดมือนี่ให้มันเห็นคือเนี่บอกนี่ว่อให้มันเห็นเป็นบทเรียนให้มันเห็นเป็นปุ๊บให้มันเห็นโมมนของเขาของเขาอย่างที่ก็ไปตอกาเขาเอ้าทามันขัดของวางได ให่มากมาเปิดนว่ามหามหาเพิดประโยชน์ปั้งถามมันบอกขดทองแต่ว่าต้องมากทิจนาหน้ามันหลวมมันแจกทะลุปูพงต้องมากมันข้าใจว่าเ่าข้าใจมากถามอีสบานนี้เอาอยู่ไหนสัตว์หลวงพ่อมันเดาคนสอนนบกคนมาคอยคือเขาจะมาห้องขอดใจมันงังคอยไปแจ้งซั่งเนี่ไปพิจนาหน้เดียวบ้าที่แรกมันสอนขอดใจซะก่อนให้เขาใจขหองซะก่อนสร้าง จำไง่เเห็นไปถามมันเกิดมันเป็นจริงคือคนบอกแล้วจะไม่ถิดต้องํามมัเป็นจริงเพราะต้องสอนันใหม่ใหม่คนจะขีโ่งมานใจในที่เจริหน้ากีฬร่มคอล่มอกอีแจงมั่งสอนสมาธิทาไมต้องกันมันม็อยู่ที่จิงเพามแน่นอยู่ในที่เจริญหน้าตามมันก็ไปก่อนแจงไปน่องก็เต้นเต้นตือเต้นไบนโตบนต้นน่นมงเห็นมันแน่นจะทำหนอกคือเก่าคือมันยังอยู่บานมั่งโม่ตามเป็นจริงมันก็อยู่ที่บาน เพามันอยู่บกับสอนเนี่บนรถของรบรถบอกนั่งนั่นนัสมาธิว่าปิดเป็นสมาธิเพื่อจใเกิดยากคนหักลับแนวคนหัวิตงัอันนี้มันหูงออกคือว่มันหูงยากอันเป็นสอนมากตามพุ่มนจิงของนอกเพราะเกิดสมาธิมันจะเกิดยากอ่ยางพวมยังหูเกิดขึ้นิมันว่างมันมีคือยากเกิดขึ้นมันหูแก่มยิ่ลำบากนี่มันก็บริญญาคนบริญสอนหลายนี่ ผู้ทำนี่มันก็ทำในทิดหรอกแต่เอาวร่งายเอแน่วไปละแน่วง่ายงยแ่วง่ายงมันเข่าใจพคนสอนเขาใจบมเมนคือเข้ายันนี้เข้ายันนี้โอ้ถ้าใจจิตวิวาไดูที่ว่าจับกจัไปจับิตจับตอ่นไปแาทจิดไปทองจิตมันมันโมเมนตี่มันโมโานี่ถมันมีหลักถูของมันอยู่มันมีเร่งสดนีกำกังนี่ที่สุดนี่ชุดจศของมันอยู่นี่เป็นแนวหน ของห้องหูเ้างหินโมเดลมันขอบมันหินโมเทียสติกาเยี่ยมตมันหิงไงวัดไกก็ะไรมันไปบพดุช่างเหมือน่างพิดมันจังพิดพิจิ้นหนชางมันบปเปิดเดินข้างติมันจงป้องไปโหลดถึงจุดมันโหลดพยายามเห็ดพยายามเพลกพยายามเห็ดแนว่ยว่างเยรอกบนมันเข้าใจบนเอียงนี่มันเห็นตางกันวาสปอนให้ม่ต้องดูอันจังทุกขังในนั้นตาแต่มันเห็นโมเทียมเหียงกับโมเทียม เงีเป <zh> ็นทุกเี้ยมันของข้าจ้าแม่ดอกมีเห็มันบาดยังจีชาว้านเห็บอกให้มันลงกระหังบักบางเงี้ยกัตาบางให้บางหน้าบางขวบบางคองบางลุกบางการกระทำให้มันลงอันใจสุขขันกันนะบางบังข้าจ้าแม่มันต่างเป็นยูนิตกันนี้มันขวบใจจีบ้าบมบมีไรไหนที่รุปุคคลคนคนมันบักคนมันขวบแต่เงีนี้มันคือจังีมันบอกเป็นอซือมันบ่ได้เีนองเบิ่งนี่ไปเอาไก่ จะไปวอกหลายควบันัรรน้นบดองมวบนี่งห่วงไรใช่ไหมก็อีสา ร, ร่มมากนะขาท่างๆาพ่อเลยหล่ะไปจวนเอาไปตำหนีแต่พ่อส่งหลายถึงนมืจับ น, บนีมันติดปนีเขาเกิดมากปนีมันเป็นของข้างนอกฉันวานอเบิงเบิงมาทากตาเห็นผมมันอยู่ข้างนอกผมม็อยู่ข้างนอกเด็อกอยู่นอกแถวก็เห็นหนังก็เห็นทนั้งในบ ร, ริเวณงที่เนี่ยทุกฝ ันเรินะออกยเบิงบ่ได้น่ะ่อบนี่บมันด่าเขาหลงติดบเ็เบิงหายากเาหมือเนีเห็นบนี่วันนี้เขต้องไปเกียวหัวมันหอกมันสิไเิ้มัมีเบิี่เอาเ่อเห็นมาป้าปั้นน่อยๆก้นเลือดออกตายมันยากมันโอ้ยมันเป็ะเบิ้งมาเลยนั่นโผล่โเนี่ยนะแเบิ้งนี่แล้วมันเหมืแล้วหรอกมั่นมาลเียวเมื่องเาหจักนี่เขางจัเน่ เพราะเราว่ามันถึงมมวลอยู่ในโลกควลมวนมันอยู่วันไหนข้รนุกซื้อใจมูตตพงจับมูตตนึกว่ามันถิ่ทุกโลกันมีเงืนอนถี Evolution ่มีทุกมียกตามเนอแล้วมีทุกมันมีแต่ปลุก e ขึ้นชือว่ามีมีแต <catch> ่ลุกมันมีเพิมทุกค้าหมนี่อ JA ันทุกมันถี่มาจากใจมันมากาก่เพมเขาทุกเาะว่าทุกมันอะไม่ว่าดีใจต้เสียใจเพิมเสียใจเกิดจากเพมดีใจควมฮัก เนี่สร้างมันเกิดจากข้อพักไปถ่างห้องบ่อักก็ควรสั้งกับพรมีนะเพราะว่าอันพักมันดีอันสั้งบ่ดีได้เย็นเ้องแล้วเข้าใจอย่างกันงอันที่ฮักที่แท้มันเข้าว่าดีอันบ่ฮักบ่แย่เลเข้าว่าบ่ดีเป็นการแจ้งห้อเย็นแท่ที่จริงอันสั้งเนยมันเกิดจากอันพักนี่นะมันอันเดียวกันมามันมันเกิดกับกองเดียวกัน ไอ้หูเจก็อันเดียวกันนึงมันมมีหักมีซังปะงก็คืักหักก็คือังอันเดียวกันนูปะาำเขาบหักมันก็ไม่้ังะไม่ยังไงเขาขบร้องมึงสมมุติสมมุติขาไปนันแค่ดินวัไก็ตาเขาบรได้หักกูนะเขาบร่อยซังกูนันโนนั่นไยังไักเขาบร่อหักซังเขบร่อย้ังคนกูนั้นนี้มันคือเขพหักบที่บานสมมุติเขาไปพอคุณตัคืนักดมีนาคือนักนั่ใจนะมา หักในใจสมหมดหักเร็วมันบราณที cual, ่มันเที eviden. ่ยงคือโนดตั้งโน้ตบัตรตั้งตั้งในกจ้าของนี่แหละมันโบราณผมใจอยากได้มันโบราณอยากเป็นมันบมเป็นอยากนี่นั่นาลมันเกิดขึ้นจังสัตวมันนี่หักสะพอนมันจังตั้นเกิดขึ้นมากพอมันหมสผมบางมันก็เลยตั้งเนี่ยชาว่้านฟ้ตั้งกับโมนี่พืชต่องโทอแต่เมีนก็จะมาว่าเจเน่ไม่ยกไปสิละยวไปยกมาก ขัจะไปหักกะแนเจ้าก็เสียอยู่นะคุณนสิ่งของต่างจะเป็นไ้เจ้าก็สะดู่านได้แลวเป็นนั้มันละสบายเลยน้องจะไปขึหักเมื่นไของเจ้าจได้เหรเโอ้ยจได้ยันไงเป็นสิทมมมันเสียเงนเนาะมันเงินสูงนมันมาใจหันมันมาใจหันพรมตั้งมาใจบนหักหันถ้าเขหักบันมือยิงั้งมันเป็นยังไงให้มันงูจนเั็มมันขีว่าหักมันเกิดบ่อตั้งมันก็ดบ่อมาทูเพิด มันหนับแดนต์สดเพามันมันมาถึงนั้นมันก็หิ้มเพราะนั้นมันก็เล่ว่างเพราะนั้นว่างบ้างจากฮักบวางจากซั่งมันก็อยู่นิ่งเพราะนั้นใจมีวงว่างเกิงๆมันบมดไปกอดอีหยังบมไปดีอีหยังโยนนีเขาเอาใจอีหยังดูได้เยินใจต่ละคนละคนแล้วก็เป็นหักมันนั่นไปติดมันนั่นติดเพาะตู้เพาะฐานเพาะทิ้งเพาะของหนาใจมันเปนวันนั่นแหละมันโบยน้ำมันโบยน้าบนหน้าอีของใจ นาทีของใจนาทีร oh uh, un ับรู้ซื่นเขาใจใจของเขานาทีของใจเพื่อนงเดียวบ่เฮ็ดยังูเแีวใหนว่างรู้บ่เอานาจะไม่นาทีมั่นเดี๋ยวนาทีจริงที่มัให้งูนั่นี้กระต่างตื่นงูอไรอย่างไรนั้นคือท่านสอนใจของเขาตื่นนั่นสำหรับสำหรับงูคือพระธรรมถ้าทรเป็นผู้แสดงเขาบนบยไงี่สักมีจังไรถ้าเขาว่าเขาไปบนมอญมองไง ธรรมาของใจจิงหูที่ตือหูแล้วบ่าเอาหยั่งบหยึดหยั่งบถือหยังเชียงใจบวดักก้อนไหนนั่นแหละถือันนี้ตัง่ันหูแล้วคึอดีใจเจใจนั่นบวถือเหียนี่เบืองหนึ่งเบิงใจเบืจองิตันมันถือเป็นใจหอดใจถึงใจมันจะอยู่ใจของบามันบ่ไปเกาะแนวมากมันนั่ใจเมามัน่านมัน่ะมันม่าเองดอกขันบวไปดึงมันมน้าดอกก้มหัดก้มจั่งอย่ีงน้า มันมาสัมผัสกับใจเขาหักเขาก็บอเอาเร้วยไหวหัวใจบอได้หักนี่หัวใจบุนี้หักหัวใจบุมีสร้างหัวใจบุมี้ทีมน่องไม่อยู่ไขอยู่มั่นพูดพูดอะไูของไข่ของมั่นกันนะมันบุมี้ทีมีน่องไม่ใจมันรูซื่อๆนี่ของไข่ของมั่นโอ้ขอไข่ของมันดีขึ้นก็เลยบดีน้าไผ่บัววันน้ำไขแล้วเบิ้งเจ้าของเห็นเจ้าของว่าใจถูก่มพ่มหัวจักตื่นตื่นมาพูดพระ เอวรูคันู้แล้วก็ซื้อเอมันนี่แล้วโมวันไหวน้ำมันคือบตีนี่ยนะคือบวกือไหวไหมบวหยอนไหมโมหิกรณไปน้ำร่มน้ำรมพัดไปทุนไปน้ำรมพัดไปทั้งทุนไปน้ำนั่นแล้วมันเป็นสนใจเนามันหลงวันเป็นเขาเฮานะพอจิไปน้าเขาวันเป็นเขามาชวนเขาไปสนอเขามาดอกไปน้าเขาซะบัดไปเขาเขานี่แล้วลบมาดอกบัเขานีตายจะแล้ว เราโดไม่อย so ู่ห้องเตาห้องเหล่าธุคือเตาแต่มันท้องทุกข์ดีลรอกมันโมเมนมันจะอยู่จั่นบ้านขันลมมากคันห้อนมากจะชิ้นน้ำมันมากอยู่กัตมันก็อยู่ก่บเจ้าแต่ก้อนใบอยู่สัตวตลอดการตลอดเวลาพอห้องโบจักรนาที่้องเฮ้าขันห่นจักรนาทีกระต้าง้งมันมีแค่ตั้นเดยวโมไปน้ามันลมมากกระต้างห้องโบเปนลมไฟคือความห่อนมากกระต้าง้องโมเป็นไฟความดีมากกต้าง เอาจับพากก้มดีติเพืมาทั้มากก้มตัวมากกตามเอาเห็ดเอามาจังตัวถ้าเนเห็ดดีมันก็เดยดีก็เชตัวก็เลตัวทานเอาไปหยุดไปถือก้มดีก้มตัวมันก็นเป็นกรรมของเฮาเขากรสืได้ยเกิดดีก็สลไม่เอาดีกไม่เห็ดอีกต่างอีมีลูกมีลางขึ้นไม่อีกมีตนมีโตขึ้นไม่อีกก็ไปทุกข์อีกจนสิ้แล้วอานั้นจับจังสันบอกเจ้าของ อย่าไปหลงอย่าไปยืดอย่าไปติดยิ่งอังกระร้างผมเป็นข้อห้องจากแนวน า, าทีห้องมิตรหูผมมี่ยู่นึงโตตนกับผมมีใจลยว่างกันถ้ามันว่างกันมันสบายได้บาดมันมุกโลกไลยโลกคือร่างกายห้องนี้แหละมีก้อนโลกร่างกายก็ริ่ก้อนโลกพอมันมีลูกแดกมีดินมีนานมีไฟมีลมมันติทุกข์กันอ่อนมากกวทุกหนาวมากกวทุกหิว ม, มากกว่าทุก เจ็บกระทุกปวกกระทุก่ยัอย่างนี้ที่แนาทุกข์กันนั้นมีดุบัจจนั่นมุมมีมุมีแนวทุกขเป่นมุมมตดุมีดุมันสบายจังวางว่างจังเดี๋ยวเหตุเห็นมันเป็นทางันของที่ดุให้มันว่างลูกกว่านี้ลูกกว่านี้เขาหลงเขาหลงเขามาเขาไม่เห็ุผลสางนหรอกมูก้อนหนึ่่างกายไขมันใจมันอยากได้มันอยากมาอยู่อยากมาเบิ้งเดีวมันเกิดขึ้นแล้งที่เขากระเบิ่ลมันห็นจักบ มันสมใจอยากผูกจับใจอยากผูกจับถ้าว่าผมมากไปอยู่นั่งมนันเป็นจังไงสนนามันคือเท่านี้แล้วเขาอยากได้อันนั้นอันนี้ยังกันนาเขามาเบิงกันอ่ะมันจะเป็นยังไงวไายน้ำเท่ามึงกันนะาไอ้มันผูกจับเรื่องจักข้ามมันกันน้ามันจะเป็นไปจังไงน้าจักที้หลอกแม่เมันบัดมาอยู่แล้วเขากระเบิงที่บานัดแต่มื่อเขาเจอพ่วมใดผมมากเข้าหอดเมื่อนี่มันเป็นจังไงพัดไปอยู่นั่ลูกมันให้ดีอันไหนหายชัวอันไหน มันให้พุณงงามก้อมดีกะเข้ากันไหนเนืเข้าได้อย่างน้ำมันนึ้อนี่เนว่ได้อยู่บอกตามเจ้าของน้าบ้านก็จาเปพุ่นหลักที่ที่ได้มันโมมีแนว่ได้ได้บ้านเข้าอะไรอย่างน้ำมันนี่จะเนี่ยถูกน้ำมันขันบัญหยาดเข้ากับผ้าไปหาคิน่ายากปวดสีกับผ้าไปปวดเที่ยกับผ้าไปเอ็ดเบียดเอ็ดงันกับภาไภ า, า, บบภาไปถ้าเ้งบ่ไปมันไปบกปีนมันบมหจักหงจกัจกคือใหเท่านั้นเนี่ยอยู่น้ำมันหนบ้าน มันอยู่น้ำลูกกันขันบมมีหัวใจมันไปบ่มเป็นมันหมจากยั้งอันจักเน้น ใ, ใจเนี่ยังมาใจนี่เป็นหน้าบอมป่าทิพ้าไปแล้วแลไงเนี่ยก็ใช้กลับไปแล้วท่าไปยังกัน้นเขาเราทุกสนุกเยี่ยนทุกน้ำอันทุกกำลังตายของบ ม, มเป็นของเขาเด้ของดินนามไฟรหมอมมาเห็ดใจบอมมีดินมีหนามมีไฟมีลบทั้งมาอยู่น้เขาขอย่างมจักว่ามันเป็นยังไงที่สุดให้ย้องว่านั่นดะเอิ่นว่าเป้าวันหน้าพิจารณา คิดสมาธินั่นคือซ้อมสร้างใจมันแล้วซ้อมมืองน้าใจของนั่นมันจะเป็นจตั้งไหนไปไหนนี่จะเกิดข้อหอดมึ่งจกไหนเนี่มันเปลี่ยนไปตรงไหนี้่เขาจะเห็นมันแก่มากจ็ดมากเฒ่ามากสุดโ้มเลาเรื่อยๆนั่นเด็กมันบมดเยี่ยงมันสิเปลี่ยนแปลงไปหาของหมดเยี่ยงัเป็นทุกข์ใจเขาก็นั้นเข้าใกลมาอยู่ในพมองว่ามัมาอยู่ในวนจีมันตอาทุกข์มันบุ่ไวว้มันขัดคอง มันโมเป็นตะยูใจน่ะมันหุ่จกักวัตถุง่ายบาด่อไปมันกระติตกสลายทํลาล่ร่างกายอันนี้มันโมอยู่ในรุนนี้กระเด้เกินว่าอนัตตาภวมิโสมิสนบเมเมนของเฮ้าโมเมนต์ของเขาบาดแล้มันตายไปแล้วผู้ได้กับโมมีจิตเฮ้ากับโมได้สิทอันะไรกับมันผู้อื่นก็มะห่างโมได้มันก็ไปของมันโหดเจ้าเกี่ยวเกินว่าบมเมนของเฮ้าเพิดว่าโมเป็นโสเป็นสน บาทนี้มันกว่างบาทโตจนกับพมี่ใจกับยุ่งวังว่าขันห้องพวงมันอันนี้ขันพวหองกับร่างกายอันนั้นนห้องวงมันกว่างนี้มันคือมันคือร่มผัดทุบหมี่ฟังมันสีวันไหวเป็นน้ำพุขีดเดียวอันมันตายสะได้คุณพ่อดางสนดอกนี่ของมันมันเป็นทุกข์บาทมันจะเกิดอีมันอยากได้อีขันนี้เป็นขันขันนั้นมวคืนบอเป็นห่องเป็นแย่บูจาบวชหอยมันอยู่น้ำมันมันจะทุกทุบว่าเกิดึืน มีแต่ทุกข์ต่าอยู่มีแต่ทุกข์ับไปที่อยากได้น้องใบยังน้องหอไวัยยังอีกน้อมีแต่เข้าในทุกข์น้ำมันเข้าเบิ้งมันแย่งมันอยากให้มันอยู่มันคงมันกับวายูไปยามรักษาอัตชีนาเมนกับูกัเตาให้มันแทงให้มันสียภาณาแพรอพวกง่ามก็หาม่ให้มันมันกับวยูน้ำเข้าบบ่อนซนเขาเขาทีเอามายังอีเข้าระบิมีป่านี้แค่นี้นนี้โต เอาบุญไปกินในท้ายใจอันนะัมันจบายเพราะงี้มันอยู่ในใจที่ลบมาหาทุกข์ทยังอีกอมันยากที่ยังมันจะหูจะสิได้หวานพิจนาเนี่ยหูไขหูมันในดอกหูนี่โตจาของห่งบาบ่อยหูผู้อื่นไอ้เบิงจะพูนละเมือม่อจะมาวัดจื้อก้มในจะเกิดมเดวจำได้เนี่ยนะเบิงมาโดทอดมืแลรวถามมันมึงวันไหนเป็นเต่าวันไหนเป็นใจอยากอยู่อยากเข้าวอนซอนบนไหน ภามันภ <là>, ้าพมันไปเบิร์นไหนมันบนไหนมันสดีบนไหนมันสีง้ำบนไหนเป็นติตเป็นไปจยักมาเกิดอีกนะนะอยู่างเบิรอีกมันโมมีเลยกันเบิร์นก็จมากว่าบมมี่บนสีเอามิจะบนถุกถูกอย่างยากเอาสีเอาบนจังไหนเอาบหมูจักเบิร์นคืออยันนี่มันบเกื่อน่ะเอาโหมูจับว่ามันเป็นจังไหนจังไหนนึกว่าใจกับร่างกายอันเดียวกันยันนี่เข้าคอสิถุกไหมใจกับกายเป็นคู่เดียวกันหรือยู่น้ากัน ชั้นกายตายใจคือหงมู้จักกันนั่นอนนี้นะก็ทิตายไปนั่งมู้จอกินใบยองมันเป็นสั่นของมูเจอกมู้จักช่างออกเงินมันบม่ได้เป็นจังสั่นมันอยู่ไปอยู่มั่นจังสั่นคือฮื่ออันสมัยก่อนี่ฟังคือเฮื่อนเทานั้นนั่นน่ะนื่นคือร่างกายกับเงื่อนคือมูเจอกเห็ดขึ้นนั่นจังสั่นได้หยุดมันโมเมนอันเดียวกันนี้เฮื่อนมันมันมเมนเท่าในบ้านเจ้าของบ้านเป็นผู้เห็ุขึ้นเงื่อนนัน มันบ่มีเจ้าเขาบ่มีในการห้างบริษับ่มีเง่อนมันก็เป็นตนใม่อยู่คนแดีวแล้วก็สีก็เป็นย่บุ่นเลสตะปูยังก็ยุพุ่นหิดพูนก็ยุบุ่นมันบ่มันบ่มันไม่เป็นเงื่อนบ้านบ้านจะเป็นเมนมูกเจ้าเห็ดคุณต่างคืณนั่งกายคือกันกำลันละบ้านจะเป็นเขาเหตุคงต่างคุณบ้านเช่นแมวผลว่าของเทาว่านแต่สั้นนะคือมู้เจ้านั่นแดีวสมมุติเอาวางงานเทาเขาเป็นเจ้าของงานนั่นแหะบานนี้มันเป็นของเท้าบ่บานทีเหตุเดนีของเ้าบ่ มันสั้งข้อมห้าบวอเห็ุแล้วมันจะอยู่คือนเก้าของเจ้าบอน้อยกับพวกมันกินน้อยกับพวกินมันกับเก้าแก่ข้ามข้าผูกข้างไปกัจิ้มไปนั่นมันเป็นยังไงอันนี้แล้วมันบออยู่ข้างเก่าคือเห้าบัตใจเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใจคือเจ้ของเงืนมันบอได้ตายนั่นเงื่อนบานง่ามเงินเพ่เงินข้างพวกกินเมดยังสิหรือมันผูกมันข้างยังสิ เจ้าอนไ่ได้ตายนั่นนบาไม่ได้เพนันเดิน่าออกนี้สหนูจับข้อมือไข้ไปกจิวเห็นักเต็มหัวเขาจักดูนั่นมะที่เพีเขออกนี้สนก็บาดแต่ไปพ้นกระเดอยู่นอกมะทีักเตมหัวไปอยู่น้ํามันนายเกาไหแล้วแต่ยุทนาบุตร่อยู่นหัวมันมหยังหงจักจัันมันเห็นจังสั่นดอกมันจิมีจังสั่นอยู่ใจเลยว่าเมื่อไม่จะตายน <Laurie. S 1> ั่น you know, ี ah ่นี้เทาไปเผามันกับผตายในใจเทาบัเผามันก ah ับผตายใจอันนั้น นี่จะล่างกายของเาคืองนเ้อเหตุผลนสิเพทีมก็แม่ทีมวันนี้ใจพอดีจับเจอ่ยข้อนละอันคานุยักษ์ที่มุตโตกติแยออกเทนั้นหลนเนว่าเดียวกันคนอันวันเห็เจัาว่างานอันนึจะฟองอันนึงต่างหากบานนึงังเห็นจับงอนที่ตัวนี้ียกคือเจ้าเห็นเบิ้งงอนเจ้าเหตุผลนะเจ้ายังไม่มาเหตุที่ดอกเกินว่ามีปัญญาจิตเจรนาเบิงมันมีอย่างในเครื่องงอนเจ้าน่ะ เขาอันใดมาใจเมมันจะเป็นเพื่อนอันนั้นสมมุติว่าจังไดอันนี้สมมุติว่าจังใดสมมุติว่าเตาว่าพื้ว่ากลางว่าอนั่นอันนี้นั่นนะไอหัวใจก็ขั้นซื้ซื้อดอกหัวใจร่างกายนี่สมมุติไม่เห็นได้กายเขาอย่างเนี่ยไม่เห็นนะพมิตรดินจะนั่งจะไข้จะลบมันกระซุ่งกันแต่สมมุติว่าอันนั่นอันนี้นั่นนะว่าตาว่าหงว่าจมูกว่าลิ้มว่ากายว่าใจอันนี้คือสมมุติหัอาจักจังกัน เอาสมุดเอาคือเออเาซือปกปฏิมาตัวดินหนาไปร่เตอนนั้นเอาอแยกก็โหจื้อซือจงทีนาเห็นไนมหัวยับจังสัตต์หัวจันร่างกายจะของอ่ะมันบมเมนของเข้าจะไม่นั่งหวานมันนี่นี่เกิดมันตกใจมันตกเจตกระตายของมันเดือดตันที่เอาห่งไหลสิ่งจะไปหม่งไดลโมเมนตของเข้ายวไปอย่างมันทุกมันอยู่นั่นมันก็เป็นทุกข์ที่เดียวมันท่าทุกข์ท่ายากจังที่เดียวบาทนิ่มห้อนตะห่อน ขันเข้าพวงไม่รัดกายเข้าพวงหันได้ใจบาดบาดหนาวกับพวงหนาวเข้ากับพวงไม่รัดกายนี่เขามายืนนั่งกายเข้าคือหันเข้าลมผัดก็ได้หันมันมีตัวมันมีรูไฟ่ใหม่ก็ได้พรมันมีลูกน้ําท่วมก็เป็นเพราะมีลูกบินถมก็เป็นเพราะมันมีลูกบัดใจบาดทวมก็เป็นน้าไข่กับพวใหม่ลมกับพวัดดินก็พวถมไปยุติได้หมดวันมีโต จะไม่ก่อตายก่าตายว่าเป็นอะไรอโมมตัวตายบุปผิวใจเขาตายบุิวยุ่งจะไม่กับยุ่งจังทันเลยูยุ่งเพไม่ตายเไปเจือเกลื่อนมันททุกข์ว่าทุกข์เพราะเาหลงในเรื่องหลงยึดความั่นนั่นเป็นพรเขาไม่รอกเพราะทุกข์จะว่าอะไรไปหั่นไปนี่ไปคุ้งไปที่เลียนเลียนไหวตายเกิดไปเป็นนั่นเป็นนี่เกิดเป็นอันนั้นนี้บม่จักตกจักจริ่มมันทุกข์นั้นจะที่ดอกทุกข์นั้นหลงไปเกิดที่ตื่น คันโมลงเคยเกิดเป็นนั่นเป็นนี่มันโมนี้ถูกหยุดจะมั่นหยุดใจก็บอกว่าตั้งวาอยู่กนอกเฮ็ดเจ้าหนี่เฮ็ดไหนมันขึ้นมั่นตูใจของของเก่าคือๆให้มันว่างร่างกายให้มันเจ้าหยุดเจ้าถือว่าเป็นเขาเป็นเขามันปฏิถิมขะนั่งตายมูนตายแต่นันบ่ท่านตายบ่ถิมมันได้เมืองมันสะกอนบ่เอาไปถิมหรือบอกขามันบอกยินยาเบื่อมันบ่ยิ่งมัน มฟันข้อมันต า, นนายจริงๆนะเว้ยท่นค น, นีท่านบาดไเหเฮว่าบาดเพราะว่าเาแจงขาคอาือนแจงขามนุษย์ร้างกายเขคนอื่นมนุษย์ผลสมุตรวามนุษย์เข้าขาเองก็ดีว่าเข้าขามนุษย์เป็นบาดเป็นกรรมปันหาเพราะพร อ, อันอนี้เป็ น, รรนรรปหนูผัดท่ำน้ำผัดท่ำเกิดมาเพื่อสิ่สอนน้อหนักคือตัวนีเข้ามรเทศ่าไปทำลายของบาปอันนี้นเป็นกรรมหนักที่สุดมอเหย่า้ เมนบ่อขามันกะตีตายอยู่เมนขามันกะตายบ่อขามันกะตายนัองอยู่น้าเห่าแต่มันมาสอนน้องมันดีแล้วมันบอทันเนี่ยตายเขาสิดเบิ้งเขาติดหูจักไปไหนๆก็หูจักคำนันบอทันเนยตายแ่มันตายแล้วยโมหุ่นในบาทโมมีเนีสิหูเพราะโมมีเครื่องรับรู้บาทขันกายตายแล้วมีแต่ใจใจมันว่างโมมีเนี่ยหูมันพ่งทิ้งมันแนวบาทตื่นๆกันแนว หมไปใสมาใส่คันั้นเป็นใจได้ดอกขันมันอบร่มมัท่านอยู่เป็นใจมันบ่ายู่แล้วตายแล้วมันไปโดดไปหาหมอเถิดชนะกำจิมาดึงไปโดดให้เสียงไหวมันจะดึงไปท่างที่พระเจ้ถ่ายขันพ้นบมูว่างไหมขันเขว่างแล้วมันมาใกล้เพราะอะไรกำนัลเฮาบุยดิบบุตรเขาว่าโมเมนของเฮากำนัลโเมนของเฮาเฮาบเอาแล้วเฮาว่างแล้วเฮาปล่อยแล้วเฮาที่ว่างมันหนีดอกไปน้าเป็นดินนีดอกว่าน้ํานําน้ำปน้ำรบนี้ ดีสมบูรณไปน้าตัวก็บูรไปน้าบวชบกชตั้งดอกหูจักแล้วมาเหี้ยนนเจ้าชื่ออยากหูจักเรื่องของเจ้าือดอกถ้าคอยูจักแล้วอยกิไปเพราะอยดอกของชี่ดอกนมันตายนะเจ้าก็ไปซาดินเจ้าก็ขึ้นไปอยู่น้าดินก็เด้งานเจ้าก็อยู่นําน้ขคนละล้มก็อยู่น้ำลมคือเต่าไอยู่น้าไผเบดใจก็อยู่น้าใจขือนูรู้อยู่ว่างๆมัไม่หงั้นคอยสบายบาตร อที่พทุกข์พอน่าพออยู่ยางเสียดีเจียงรงคงทีบวันไหม่ต่ออีนั่งบ้านจะนิ่งต่อไปเออล่ากันเหาบอกกระต่ายกันนีจังกันจังดินจังน้มจังไฟจังลมคื้เหาสิ่นี้จากกัรนีนาเอ้าอยู่น้ากันสิ่งนี้จากการจังล่ากันบาปนี้กันสี่อีไเลยเออไปไปไปมั่นหว่านเอ้าต่างคนต่างไปอยู่ไปอยู่มั่นบวมมาอยู่น้ำกันอีกแล้วมันทูก อยู house, ่ไฟอยู่มันมันติดสบายมันสิบผมมีห่อนมีหนาวโมหิหิวเจ้าก็ยุ่งเพราเจ้าก็ยุ่งเพราะไฟสบายไฟมั่นแต่หนาวโเดียวกันลดวได้จินในภายหมดเกิดตายตายเอาวันจังที่ดอกพิญญาจังที่ให้มันล่องตูบนจังที่ดอกคนเปิว่าลงครตูใส่ละ